ท่านอาจารย์พูดถึงพระองค์สาริกระาคนทิคงคุกขึ้ถามท่านคงมียาติธรําหลายคนคงอยากได้ยินว่าหลวงพ่อตอบยังไงผมจำได้ดีว่าวันนั้นเราไปเยี่ยมท่าน ท, ที่วัดสานามในก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่เยอะหลายคนลูกศิษย์ลูกหากทราบผมว่าทราบว่าเป็นหมอรักษาท่ า, า, า, า, าบบนก็รรษษาถามมาถามไปคุณหมอเพราะพระองค์สารกระทาเนี่ยที่เขาว่ากันเนี่ยถ้า บ, บูชาบักพิงดีมางอกได้เนี่ยมันเป็นจริงหรือ่ ผมก็นึกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพระธาตุนมก็เพิ่มล้นไปใหม่ผมบอกว่าถ้าเกิดการลู่ชาแบตรตรี่แล้วทำให้พระบรมสารีก็ธาตุนอกนอรา้านเนี่ยเอพระธาตุพนมนี่เข้าลงทำเนียประเพณีเนี่ยมันยิ่งกว่าบ้างคนเลยนี่เข้าลงทาเนียประเพณีคนว่านเนี่ยไม่ใช่แสนเป็นู้ ก, กี่สิบลานเป็นพัาปีมาเวลาล้มลงมาก็เหลืออีกชิ้นเดียวลนะมันจะงอกได้เลยผมบอกหลวงข้อเนี่ยท่านเป็นคนที่ จะไมพูดท้าไม่ถามถ้าอยู่เฉยๆนะครับเป็นหลูกตายเยี่ยงๆนะครับผมว่าไอห้หลักข้อมีความหมาว่ายัางไงท่านตอบอยู่ท่านตอบเยวะไม่เรื่องของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราก็ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าสอนเราให้เรารู้จักตัวเองถ้าเรารู้จักตัวเองดีแล้วอย่าว่าแต่ปัญหากระดูกที่เถียงกันอยู่เรื่อลย ข้าพุทธเจ้าจะมาไม่มาไม่เป็นปัญหาเดยวกันั้สอนให้เราม้จักตัวเองนะครับอยู่ที่ตัวเองเท่านั้นอยู่ที่จิตใจตัวเองเท้านั้นพ้นทุกข์ให้ได้เท่านั้นแล้วที่เห็นว่ามีหลายสำนักในการที่ปดทุกข์ปฏิบัติอะไรทั้งหลายก็คงจะมีหลายสำนักที่จะให้คนพาคนสู่ธรรมะได้ถ้ามันมีหลายทางนะครับจะไปกรุงเทพขึ้นเครื่องบินก็ได้โดยรถยนก็ได้จะไปต่อดรถไฟที่ขอนแก่นก็ยังไหว หรือถ้าจะเดินดาสมัยก่อนก็เดกเป็นไปได้นะครับผมอยากถ้ากิดจะให้ญาติที่ทำากหลายที่อยู่ในที่นี้เกิดความมั่นใจผมก็ อ, อยากจะล่อคําถามนะครับคำตอบของพระพเจารณาตอบคำถามคนที่ถามพระพิจารณาสมัยพยุทธกาลว่าเอข้านสอนอะไรอย่างไรโดยการรุกศึกทหารหลายคพระพิจเจ้าตอบว่าอย่างนี้มีคนเยอะจำนวนไม่มาก แต่เขมากพอที่จะเรว่าชีวิทั้งทุกข์อยากจะไปถึงที่สึกแห่งทุกข์ น, นี้ก็มาบวชเรียนนะครับเมื่อบวชเรียนแล้วก็เหมือนกับคนที่ปรารถนาจะได้แก่ไม้ไปทําเป็นประโยชน์นะครับหลายคนเมื่อมาบวชเรียนก็เกิดราบสการะผู้ใดที่หนงติดอิ่ใจในราบสการะไม่ทำํำใรต่อไปนั้นเปรียบเหมือนดังคนได้กิ่งไม้ใบไม้ไปโดยสัมคำว่าอึดอัด ผู้ใดได้รับสมบูรณ์แห่งลากศัลย์แล้วก็ไม่หงุดหงิดก็ปฏิบัติเพื่อให้มีศี่ที่บริบูรณ์เมื่อมีสี่ที่บริบูรณ์แล้วก็อิ่มใจคิดแต่ว่าตัวเองเนะี่ยสิ่นี้เป็นที่โร ด, ดเด่นของคนอื่นไม่ปารถนาที่จะทําอะไรต่อไปอีกเพราะพระเจ้าบอกว่าคนเหล่านี้อยากได้แก่ไม้แต่ได้ือกไม้ไปนะผู้ใดแต่ละแก่ที่มาบวชลากสถลย์ที่มาก็ไม่หงุดหงิด มีสินที่บริบูรณ์แล้วก็ให้อุ่นใจนั่งสมาธิกำพัฒนาตัวเองต่อไปให้เกิดสมาธิรู้ว่าวิธีของตัวเองนั้นโดดเด่นดีกว่าคนอื่นดูเหมื่นดูแข่งคนอื่นนะครับเพราะพุทเจ้าบอกว่าคนเหล่านี้ตาอหนาแต่ไม้แต่ไร่ก็มีไม่ไดนะ้ผู้ใดก็แล้วแต่ที่ได้ลาบศักกะก็ไม่ยินดีมีสีที่บริบูรณ์ก็แม่ยิดี มีสมาธิที่บริบูรณ์ลแล้วก็ไม่ยุ่งเกิดสติปัญญานะครับสามารถจะตอบคําถามยะอดเยี่ยม้หมดทุกอย่างเลยแล้วก็ติดอยู่ที่ตรงนั้นถ้ามเปรียบว่าบุรุษนี้ได้กับพี้ไม้ไปโดยสอบคำว่าเป็นไงเห็นไหมครับ น, นี่คือระดับความรู้เป็นวีทตาศสตร์หรกี่เล่มนะครับพระพิจเจ้า บ, บอกว่าคุณพะบุตรใดก็แล้วแต่ที่หรือผู้ใดก็แล้วแต่ที่มาเห็น ชีวเป็นทุกข์ต้องการร่วงอยู่ความทุกข์ไม่ได้นะครับศีลมีราสัสศีลธรรมก็ไม่อิจใจมีศีลก็ไม่อิจใจที่บริบูรณ์แล้วก็ไม่อิจใจมีสมาธิที่บริบูรณ์แล้วก็ไม่อิจใจมีปัญญาแก่ฌานก็ไม่อิจใจนําปัญญานะั้นพัฒนาขึ้นไปเพื่อแก้ทุกข์ตัวเองให้ได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วบุคคลนั้นคือผู้ที่ปัตถนาแก่ไม้ได้แก่ไม้ไป เพราะนั uki, ้นหลวก็่อเทียนสอนเราเนี Then, murder, ่ยเพื่อให้ถึงที่สุดทุกข์ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วเดี๋ยครับผมว่าเราจะได้มั่นใจผมพูดในตอนแรกว่าผมประทับใจเหลวงพ่อเทียนในชีวิตผมมีพระตอบที่ผมประทับใจจริงๆคือหลวงพ่อเทียนท่านตอบคำถามแบบสองคำถามคำถามแรกก็คือคำถามว่าทำไมผมต้งเชื่อพระพุทธเจ้าในเมื่อเกิดมาตั้งสองพันห้าร้อยปีข้าพเจที่ผมศึกษาได้คำถที่สองที่ผมประทับใจก็คือท่านเป็นพระองค์เดียว ตั้งแต่ใ น, นชั่วชีวิตผมที่สอนให้ผมกราบตูดเองถ้าสอบยิงยืนก็ถึงว่ามี 1, วันหนึ่งผมก็บอกถามนะว่าหลวงพออ่อเนี่ยคราบตรนี้นะผมล้งกราบซะทันามเลยสี่สาอ้องทีพอความนันแก่ผมมาเนี่หลงพ่อผปเลยล้ามือแทบจะไม่ทันโอ้ไม่รู้จะก่าบเขาได้ยังไงหลวงพ่อถามแบบว่าแล้วเราไปกราบเขาพราะอะไรข้าวก็เห็นสอนดีพูดดี ก็เห็นสร้างศาสนาวัตถุสร้างรักสร้างวานี้ผมขอถามต่อว่าใจเขาเรารู้หรือเปล่าเขบอกไม่รู้ที่ถ้าพุทธลัทิคิดใหม่ถ้าเป็นใจเราบ้างเรารู้ไหมบอกรู้ถ้าคิดจะทําชั่วกับใครรู้ไหมรู้ทำดีกับใครดีรู้เออเห็นเขาทําดีพูดดีแค่นี้เนี่ยอย่ากล่าวว่าเขาได้ทําไมไม่คิดใหม่ให้ตัวเองดีทั้คกายวาจาใจที่เราจะกลับตัวเองได้อย่างมั่นใจ ท่านบอกว่าหมอก่อนตายต้องกราบตัวเองให้ได้มิชนะชีวิตจะบุกเข้ามิชนะชีวิตจะบุกเคิดดีก็คิดได้ก็คิดอย่างที่เราพวกเราที่มาปฏิบัติกันเรี่ยคืองที่สุดแห่ทุกเมื่อคิดดีได้แล้วการกระทํามันจะดีเองการพูดก็จะดีเองเพราะฉนั้านการทำทั้งหลายที่มาในวันนี้ที่ผมขอเสนอบ้างถ่านไปปีหนึ่งผมก็จะถามคําถามเดียวว่าข้าจะกล้ากราบตัวเองหรือยัง ถ้าข้าขาดคนหนึ่งแล้วเราก็มาผูดทางว่าที่พอเป็นที่ยินดีขอขระคุณมากครับครับการเจริญธรรมเจี ย, ย, ย, ยสอนธรรมะสบาย น, นะครับต่วันนี้จะเป็นรายการที่เสริมกำลังใจรู้เทคนิครู้กำพูดของหลวู่ทิ้งแ่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับได้เทศได้สอนผ่าน ทางลูกศิษลูกหานะครับผมเชื่อว่าแนวทางพระโลกปูเทียนนครับเป็นวิธีการที่ทําให้เราเข้าสู่ความเป็นพุทธภาวะได้อยู่นะครับไม่เคยมีที่ไหนมากอ่อนผมก็าจะส อ, อนยายกแค่ตัวเองเดินทางด้วยก็คือว่าผม ร, ารัปฏิบัติการยุเหนองของเรามานานนะครับแง่เกี่ยกปฏิบัติแล้วก็ยังติดอยู่ก็จะเดินหลุดออกก็ใช้เวงานา น, านทีนี้พอมาปฏิบัติอันนี้แล้วรวดเร็วชัดเจน เข้าสู่ความเป็นกุศลเพราะว่านั่องจากที่พรกคุณเจ้าท่านได้สรุปให้หลายๆให้ท่านทั้งหลายได้เห็นภาพที่แตกต่างกันในเรื่องขององค์ความรู้นะครับแต่กลายทางก็ปูเทียนแล้วคําสอนในพระพุทธศาสนามีหลากหลายนะครับก็เราแยกเป็นเก้าอย่างแต่เหมือนกับใบไม้ที่มันมีอยู่ในป่าครับแต่ผู้ทีเจ้าเอามาสอนแค่กำหนึเดียวธรรมะที่หลวงปู่ท่านไน้นามาสอนนี่ก็ ค, คือความรู้สึกตัวอยู่กายเค้ื่อนไหวดูใจนะึกคิด ดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นธรรมชาติธรรมชาติใจเราณเวลานี้มันเป็นอย่างไงนั่นแหละคือการเดูตัวเองห่วงเหงาเฮาหนองซึมเศร้าไม่กระชับกระเฉงการที่เราปฏิบัติตามแนวหลวงปู่เทียนจะทําให้เราเขาไปพ่อผู้ดิจ่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราหลวงปู่เทียนท่านเปรียบเสมือนเทียนที่สว่างสวงให้กับพวกเราโดยการสอนวิธีปฏิบัติที่สั้งตรงรับเรียนนี้ ใครกตัญที่มีความมุ่งมั่นทะยานยาใครกตัญที่มีความวิทยาอุตสาหปฏิบัติการแนวท่านก็จะเข้าถึงธรรมะคือ ท, ทำในภาพเหมือนอย่างที่ลุงปู่ท่านได้สอนไว้ถ้าธรรมะตัว น, นั้นที่เป็นปรรัญญาเปรียบเสมือนปัญญาที่ทําให้เราเนค้นทุกเจตนาของพระพุทธศาสนาจริงๆของพุทธธรรมจริงๆอยู่ที่การค้นทุกพระพุทธเจ้าท่านก็สอนแต่เรื่องทุกต่อความดับทุกลงุงกูเทียนเปรียบเสมือนต้นโพใหญ่ สมัยที่ท่านประพฤติปฏิบัติเองท่านก็งอกางามเจริญขึ้นแห่กจริงก้านสาขาสยายออกมามาจ็นร่มล่มโปร่มใสให้พวกเราทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติตามแนวของท่านได้มาอยู่อาศัยใต้ใบใบโปของท่านทีนี้ในชาติการมร้อยปีของหลวปู่นี้ท่านโก ง, งถ้าถามท่านท่านก็โงแต่ไม่ได้ตอบอะไรมากแต่สาระในฐานะที่พวกเราเป็นมนุษยชาต เราจะนำเทียนซึ่งหมายถึงปัญญาที่จะทําให้คนคนทุกข์เราจะเป็นพาหะต่อไปได้อย่างไรไปสู่คนอื่นรวมทั้งการจัดการในชีวิตด้วยสังคมด้วยองค์กรด้วยแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่มนุษยชาติทั้งหลายรวมไปถึงเพื่อนกางศาสนาด้วยซึ่งพุทธภาวะอันนี้จะไม่เกี่ยวกับความเป็นเชื้อชาติศาสนาถ้าไม่เชื่อ คุณหมอเล่าเมื่อสักครู่นี้ว่าสิ่งที่ธรรมะที่มันเป็นของแท้ที่มันเป็นศักดิ์มันจะมีอยู่เพียงสิ่งเดียวในเรื่องการเจ็บป่วยของคุณหมอในตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตจะมีว่อนอยู่อันหนึ่งของชมรมคุณเทียนซึ่งเป็นเงาปฏิบัติของคุณเทียนแนะนําการสอบอารมณ์ของโลกาออกตดยแพทย์คูบาอาจารย์ของเขาเป็นนักพิสนาการไม่เคยได้เห็นเด็กอนุบาล อายุห้าขวบหกขวบตอบปัญหาอารมณ์ทางธรรมและเกิดการสนใจตรงนี้ผมถือว่าการเผยแพร่พุทธศาสนาแนวทางของเราก็เทียมไปตามเดียบไซสตา่างๆทางอินเทอร์เน็ตเถือว่าเร็วมากพูดงา่ายว่าไปกระเพาะกัญญาของครูบาอาจารย์ยย ท, ท, ท, ที่อยู่ในหมหาวิทยาลัยต่างๆเริ่มสนใจในว น, นี้ดังนั้นการเสวนาเตียนธรรมทำเตียนสองนะครับขออภัยเตียนสองทำนักสว่างในวันนี้คิดว่าจะเกิดประโยชน์ให้กับ ขอบคุณเจ้าโดยเฉพาะประเด็นที่คุณหมอที่ได้อยู่ใกล้นะครับถึงแน้ว่าจะมีเวลาจํากัดนะครับเราก็ได้นั้นกับได้ยินได้วความหลวงพ่อตอบโดวยวาจาของท่านเองและเราก็มีกําลังใจเชื่อมั่นในแนวทางก็ขอให้กําลังใจนะครับท่านทั้งหลายที่กําลังฝึกปฏิบัติหรือท่านที่ปฏิบัติมาแล้วก็ขอได้มีกําลังใจในการฝึกปฏิบัติ เหมือนกับแม่ไก่กบไข่ น, นะครับพักจนไข่เป็นตัวเป็นลูกออกมาก็เหมือนกับการรู้สึกตัวก็จะพักจนเป็นตัวให้เกิดควา ม, มารู้สึกตัวรูว้สึกตัวรู้สึกตัร้สึกตัรู้สึกตัวรูส้สอกตัวรอิทึกตัวรู้สึกตัวรสึงตัวรู้สึกตัรูกตรู้สึกตัวรู้กมาโรยที่บางร้สกตัรกรู้สึกัยยวรูกครับแสต่น้สต้อยที่สุดแล้วก็เชื่อมั่นในสากว่าท่านจะเป็นผู้ปลอดโรูงโล่งเย็นสบายเบา มีพลังกายพลังใจในการทํางานเพื่อตนเองสังคมครอบครัวและสร้างสรรคสังคมให้เจริญจุ่งเดือนได้ตามแนวทางความหลบภูเทียนในวันนี้เราจึงขอกราบขอบคุณท่านวิทยากรท่านคุณหมอนะครับที่ได้เตรียมส่องทางกัญญาให้กับญาติธร้งที่ได้มาร่วมฟังในวันนี้หวังว่าคงจะเกิดประโยชน์กับชีวิตแล ะ, ะ ท, ทุกทุกท่านที่มาร่วมฟังใ น, ในวันนี้ โอ้ขนมหวานอะไรขอบคุณค่ะ